เพราะถือมั่นทุกเพราะยึดมั่นทุกทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดมั่นคงดุดเสาระเนียดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพระพุทธเจ้าค่ะมีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จะพึงเกิดขึ้นบ้างหรือว่า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 มั่นคงดุดเสาระเนียดว่าตสูตรที่หนึ่งจบ225ถึง240พึงขยายการตอบปัญหาทั้ง18ข้อให้พิสดารเหมือนในวักก่อนโหติดนะจะัจโหติดถาคโตสูตรที่17จบ18ปด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 20รูปีอัตตาสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่ไม่มีรูป243เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะยึดมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจากตายแล้ว อัตราที่ไม่มีรูปไม่สลายไปอรูปีอัตราสูตรที่ยีสิบจบ21่สิรูปีจะอรูปีจะอัตราสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าด้วยอัตราที่มีรูปและไม่มีรูป244 เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหลังจากตายแล้วอัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปไม่สลายไปรูปีจะอะรูปีจะอัตตาสูตรที่21จบ 22. เนวารูปีนารูปีอัตตาสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าด้วยอัตตาที่มีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่24งสหหลังจากตายแล้วอัตตาว่าจะมีรูปก็มิใช่จะว่าไม่มีรูปก็มิใช่ไม่สลายไปเนวะรูปีนารูปีอัตตาสูตรที่22จบ 23เอกันตะสุ ข, ขีสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าด้วยอัตตาที่มีสุขโดยส่วนเดียว246หลังจากตายแล้วอัตตาที่มีสุขโดยส่วนเดียวไม่สลายไปเอกันตะสุ ข, ขีสูตรที่2ี่บจบ24 เอกันตะทุกขีสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่าอัตตาที่มีทุกโดยส่วนเดียว247หลังจากตายแล้วอัตตาที่มีทุกโดยส่วนเดียวไม่สลายไปเอกันตะทุกขีสูตรที่24จบ25สุขทุกขีสูตร ว่าด้วยทิฏฐิว่าด้วยอัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์สอหลังจากตายแล้วอัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์ไม่สลายไปสุขทุก ข, ขีสูตรที่ยี่ห้าจบ26อัตุขคมสุขขีสูตรว่าด้วยทิฏฐิว่า อัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุขสองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าหลังจากตายแล้วอัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์ไม่สลายไปหรือภิกูุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักพิกูุทั้งหลายเมื่อมีรูปเพราะ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 เพราะถือมั่นทุกเพราะยึดมั่นทุกทิศ ท, ทีอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจากตายแล้วอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกขและสุขไม่สลายไปอทุก ข, ขามสุขขีสูตรที่26จบทุติยะขามานวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวร์นี้คือหนึ่งวาตสูตรสิบปด เนวะโหติ น, นะโหติสูตร19รูปีอัตตาสูตรยีสอารูปีอัตตาสูตร21รูปีจะอรูปีจะอัตตาสูตร22เนวะรูปีนารูปีอัตตาสูตร23เอกันตะสุขีสูตร24เอกันตะทุกขีสูตร 25. สุขาทุกขีสูตร 26. อทุกขมะสุ ข, ขีสูตร